36การภาวนาให้มีวิหารธรรมวงเล็บเปิดสิ 16. พฤษภาคม2552สิในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดสิ่งที่ทําให้สติเกิดบ่อยๆก็คือจิตจําสภาวะได้แม่นเรียกว่าธีรสัญญาพระอภิธรรมสอนว่าธีรสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติธีรัสัญญาคือจิตจําสภาวะแม่นจิตจะจําได้แม่นจิตต้องเห็นสภาวะบ่อยเหมือนเราจะจําใครสักคนหนึ่งนะเห็นหน้าบ่อยๆ เราก็จำแม่นไม่เห็นไปหลายๆปีก็จำไม่ได้ญาติพี่น้องกันแท้ๆนะพี่น้องกันเติบโตมาด้วยกันเกิดโตขึ้นแล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปไม่เจอหลายสิบปีก็ไม่รู้จักแล้วจำไม่ได้แล้วสภาวะก็เหมือนกันถ้าเราไม่หัดดูนานๆจะเห็นสักทีหนึ่งจิตก็จำสภาวะไม่แม่นฉะนั้นเราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆวิธีหัดดูสภาวะเบื้องต้นนะให้มีวิหารธรรมไว้อันหนึ่งก่อน ในเครื่องหมายคำพูดวิหารธรรมหมายถึงเครื่องอยู่ของจิตถ้าจิตเคลื่อนไปจากวิหารธรรมอันนี้ก็รู้ทันจิตไปเกาะอยู่ที่วิหารธรรมนี้ก็รู้ทันจิตไปเพ่งใส่วิหารธรรมนี้ก็รู้ทันมีเครื่องอยู่เป็นเครื่องสังเกตจิตถ้าไม่มีวิหารธรรมไม่มีเครื่องอยู่จะดูสภาวะยากสติปัฏฐานมีสองขั cosa, ้นนะขั้นที่หนึ่งทให้เกิดสติขั้นที่สองทให้เกิดปัญญาขั้นที่หนึ่งวิธีทาให้เกิดสติ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 ไม่จําเป็นเวลาเราจะวิจัยสมมติเราอยากสํารวจทัศนคติของคนกรุงเทพต่อนายกรัฐมนตรีคนนี้เทียบกับคนก่อนๆ น, นะอยากสํารวจตรงนี้เราไม่ต้องไปเดินถามคนกรุงเทพหลายๆล้านคนไม่จําเป็นถ้าอย่างนั้นไม่เรียกว่าวิจัยแล้วเรียกว่าไปเที่ยวถามทั้งหมดเลยเสียเวลาไม่ต้องทํามากินกันแล้วถ้าเราเลือกตัวอย่างได้ถูกต้องเลือกตัวอย่างสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการที่ดีสุ่มตัวอย่างเลือกตัวอย่างที่ดีมา อาจจะไปวิจัยคนสองส0มพันคน 5,000 คนไม่เกินหนึ่งหมืนคนอะไรอย่างนี้ทัศนคติของคนหนึ่งหมื่นคนนี่มันแทนความเห็นของคน5้าล้านหล้านคนได้การเรียนกรรมฐานก็เหมือนกันไม่ต้องเรียนรูปนามทั้งหมดรูปนามทั้งหมดมีเยอะรูปมีตั้ง28รูปนามมีตั้งเยอะแยะมีนามมจิตหนึ่งนามเจตสิกอีกิไม่ต้องเรียนทั้งหมดหรอกไม่ต้องเรียนสภาวธรรมทั้งหมดเสียเวลาเรียนเมื่อไหร่จะหมด ก็สมตัวอย่างมาเรียนเรารู้กายบางอย่างถ้าเข้าใจกายอย่างนั้นแล้วก็จะเข้าใจกายทั้งหมดรู้เวทนาบางอย่างถ้าเข้าใจเวทนาอย่างนั้นแล้วก็จะเข้าใจเวทนาทั้งหมดดูจิตบางอย่างถ้าเข้าใจจิตอย่างนั้นแล้วก็จะเข้าใจจิตทั้งหมดนี่เป็นงานวิจัยทำมาวิจัยเรียกว่าในเครื่องหมายคําพูดทำมาวิจยะเราก็เลือกเอานะพระพุทธเจ้าท่านขีดขอบเขตไว้ให้แล้วไม่ใช่เลือกตามใจชอบ วิหารธรรมที่เราต้องใช้ก็อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมพูดง่ายๆก็คือรูปธรรมกับนามธรรมเท่านั้นเองการรู้รูปธรรมนะไม่ต้องรู้รูปทั้งหมดหรอกไม่จาเป็นรู้บางรูปก็พออย่างเวลาเราหายใจเราเห็นรูปเวลาหายใจเข้ารู้สึกไหมมันเย็นหายใจออกมันร้อนอันนี้ไปดูธาตุไฟจะดูยากเวลาเราเดินเวลาเราเหยียบพื้นนี่ขาเราจะแข็งขึ้นธาตุดินจะเพิ่มขึ้น เวลายกนี่ธาตุดินลดลงเวลาก้าวไปนี่ธาตุลมเพิ่มขึ้นดูยากถ้าไม่ทรงฌานจริงดูไม่ไหวหรอกนี่ธาตุกรรมฐานแทๆ้ๆซึ่งเป็นตัวรูปแทๆ้ๆเพราะฉะนั้นเวลารู้รูปส่วนมากรู้แบบข้างๆเคียงๆไม่รู้รูปแทๆ้ๆไม่ค่อยมีใครทําได้หรอกถ้าทําแล้วก็ประเภทจ้องอยู่ที่เท้านะยกแล้วก็รู้สึกน่องนี้หย่อนลงพอเหยียบพื้นแล้วน่องตึงขึ้น จะมาบอกว่ารู้ธาตุดินมากธาตุดินน้อยนี่ไม่รู้จริงเพราะจิตจะต้องถลาลงไปจ้องอยู่ที่น้องใช่ไหมจิตไม่ตั้งมัน่นเพราะฉะนั้นไม่ได้จริงหรอกหลวงพ่อยังไม่เคยเห็นใครทำได้เลยมีแต่เพ่งกลายเป็นเพ่งกลายเป็นสมถะไปหมดเพราะฉะนั้นรู้กายในกายอย่างง่ายง่ายเช่นรู้การหายใจพระพุทธเจ้าสอนหายใจเข้าหายใจออกถามว่าเป็นรูปปรมแทไทหรือเปล่าไม่ใช่ยังเจือด้วยบัญญตัต นี่หายใจเข้านี่หายใจออกนี่เจืออยู่แต่ว่าการทำให้เกิดสตินี่ไม่จำเป็นต้องรู้ตัวรูปปรมัตถ์แท้ๆไม่เหมือนขั้นทำให้เกิดปัญญาขั้นทาให้เกิดปัญญาต้องรู้รูปแท้ๆขั้นทำให้เกิดสติรู้รูปไม่แท้ก็ได้รูปหายใจเข้ารูปหายใจออกรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่รูปแท้อะไรเป็นรูปแท้ๆท่าทั้งสี่เป็นรูปแท้ๆ เพราะฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนอะไรมันยืนอะไรมันเดินอะไรมันนั่งอะไรมันนอนท่าทั้งสี่มันยืนเดินนั่งนอนเราดูท่าสี่ไม่ได้ดูรูปไม่แท้ไปก่อนดูรูปไม่แท้ไปเรื่อยเราจะเห็นรูปไม่แท้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเช่นหายใจออกก็รู้ทันรู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกนี่รูปมันเคลื่อนไหวหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกยืนอยู่ก็รู้สึกเดินอยู่ก็รู้สึก นั่งอยู่ก็รู้สึกนอนอยู่ก็รู้สึกคอยรู้สึกเรื่อยพอรู้สึกมากๆต่อไปพอจิตมันเคลื่อนมันรู้รูปมันรู้ร่างกายที่หายใจอยู่พอมันลืมร่างกายที่หายใจหนีไปคิดแป๊บนี่สติระลึกได้แล้วว่าลืมรูปตัวนี้ลืมวิหารธรรมไปแล้วการมีวิหารธรรมทําให้สังเกตได้ง่ายว่าจิตเคลื่อนไปจากวิหารธรรมนั้นแล้วหนีไปแล้วหนีไปนิดเดียววิหารธรรมจะหายไป อย่างบางคนหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอะไรใช่ไหมเวลาใจลอยก็ลืมลมหายใจลืมพุทโทไปฉะนั้นเรามีวิหารธรรมก็เพื่อว่าเวลาจิตมันหลงไปแล้วจะได้รู้ไวๆถ้าไม่มีวิหารธรรมจิตก็ร่อนเร่ไปเรื่อยดูยากไม่มีที่สังเกตวิหารธรรมทําให้เป็นที่สังเกตเพื่อจะรู้ทันจิตได้ง่ายบางคนก็เอาเวทนาเป็นวิหารธรรมบางคนเอาจิตที่เป็นกุศลอกุศลเป็นวิหารธรรม สมัยตอนหลวงพ่อเด็กๆหลวงพ่อใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมทําให้เกิดสติหัดแรกแรกเลยตอนเจ็ดขวบหัดไปแล้วใจมันเคลื่อนออกไปมองไม่เห็นไม่รู้ทันมันสว่างออกไปแล้วก็ไปเห็นโน่นเห็นนี่ออกไปอันนั้นขาดสติต่อมาเรารู้ว่าหายใจไปแล้วออกไปเห็นผีเห็นสางเห็นเทวดาอะไรอย่างนี้ขาดสติมันรู้อย่างนี้นะพยายามหายใจไม่ให้ขาดสติหายใจไปพอมันจะเคลิมก็เปลี่ยนจังหวะหายใจนิดหนึ่ง หายใจไปแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆนี่คนที่เคยฝึกเจริญสติมานะเวลาตายแล้วไปเกิดใหม่มันลืมการเจริญสติแต่มันไม่ทิ้งร่องรอยที่มันเคยเดินมันไม่ไปเคลิ้มนานๆมันจะพยายามวกเข้าหาความรู้สึกตัวอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นหายใจไปพอใจเคลิมจะขาดสติก็สูดลมหายใจขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาใหม่แต่ถ้าถามว่ารู้สึกตัวไปเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยไม่รู้เพราะว่าขึ้นวิปปัสนาไม่เป็น แค่ว่ารักษาความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆไม่ให้ขาดสติยังไม่ได้เรียนวิธีที่จะเจริญวิปัสนาจนมาเจอหลวงปู่ดูลอายุตั้ง29แล้วทำสมถะอยู่22ปีทำไปเพื่อความมีสติไม่ใช่เพื่อความขาดสติทำไปให้รู้สึกตัวไม่ใช่ให้ลืมเนื้อลืมตัวเคลิม้มเคลิ้มงอกแงกงอกแงก่ทำไปเพื่อจะคอยรู้สึกอยู่ที่กายอยู่ที่ใจไม่ให้หายไป ไม่ใช่ทำไปเพื่อจะให้ไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกนี่ฝึกมาเรื่อยๆตอนสิบขวบไฟไม่ข้างบ้านตกใจวิ่งไปจะไปบอกพ่อวิ่งไปวิ่งไปสาก้าหนึ่งสองสามปับ๊บสติเกิดเห็นจิตที่ตกใจนี่เราเคยฝึกมีสตินะพอเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมันย้อนมาดูที่จิตได้เองตอนสิบขวบเสร็จแล้วลืมไปไม่รู้ว่านี่เป็นวิธีทำวิปัสสนาของเคยทาแล้วมันลืมนะ อันนี้ที่หลวงพ่อบอกของเคยทําไม่ได้พูดเองหลวงพ่อพุทธท่านบอกหลวงพ่ออีกทีหนึ่งนี่ต้องหาพยานหน่อยเดี๋ยวมันโทษใส่เราไปเล่าให้หลวงพ่อพุทธฟังว่าไฟไหม้วิ่งหนึ่งสองสาตื่นขึ้นมาเลยจนวันหลังมาภาวนานะอายุ29มาภาวนาแล้วตื่นขึ้นมาถึงรู้ว่าอันเดียวกันนั่นเองกับเมื่อสิบขวบแล้วลืมไปหลังจากนั้นก็หายใจมาเรื่อยขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นแต่ไม่เอาเคลิมเอาความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวนี่เป็นต้นทางที่เราจะมาเจริญปัญญามาเจริญวิปัสนาเวลาเรารู้สึกตัวใช่ไหมเราก็มีกายมีใจเวลาเราลืมตัวกายก็หายใจก็หายมันหายไปหมดใช้ไม่ได้วิปัสนาต้องรู้กายรู้ใจแล้วก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจจะรู้กายรู้ใจได้ต้องรู้สึกตัวนะฉะนั้นมีสติไวรู้สึกไวรู้สึกไม่หลงไปไม่เผลอไปไม่เพลินไป ที่ไม่หลงไปนานเพราะว่าฝึกมามีวิหารธรรมจิตเคลื่อนจากวิหารธรรมไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันอย่างบางคราวหลวงพ่อไปเล่นแบบหลวงพ่อเทียนบ้างเห็นเขาเล่นก็เล่นบ้างขยับอย่างนี้ขยับขยับไปไม่อยู่วันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนเดินอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่เจอมันนานแล้วดีใจนะดีใจแล้วไม่เห็นว่าดีใจโมจะเห็นเพื่อนนี่เห็นไหมขาดสตินะสมัยโน้นขาดสติเหมือนกันเหมือนพวกเราแหละ ก้าวขาจะข้ามถนนไปคุยกับมันขาเคลื่อนไหวปั๊บสติเกิดเลยทำไมขาขยับปุ๊บสติเกิดได้เองเราเคยขยับมือนี่ขยับมือแล้วรู้สึกตัวขยับแล้วจิตเผลอไปเรารู้จิตเผลอไปเรารู้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วจิตเผลอเรารู้สึกต่อมาพอเราเผลอตัวอยู่เราขยับปุ๊บมันรู้สึกขึ้นมาได้เองเพราะฉะนั้นการที่เรามีวิหารธรรมไว้อันหนึ่งนี่ฝึกไปเรื่อยๆแล้วสติจะเกิดจะรู้สึกตัวไม่ลืมตัว พอไม่ลืมตัวแล้วก็ฝึกให้เกิดปัญญาขั้นที่สองฝึกให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่เรียกว่าวิปัสนาปัญญาไม่ใช่ปัญญาธรรมดาปัญญาธรรมดาเป็นปัญญาฉลาดอย่างโลกโลกไม่พ้นทุกหรอกปัญญาที่ฉลาดอย่างโลกโลกส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือของกิเลสแทบทั้งสิ้นเลยเรียนมากฉลาดมากรู้มากใช่ไหมก็ทําชั่วได้เยอะบางทีคนโง่งๆทําชั่วได้ไม่มากแต่คนที่มันชั่วแล้วมันฉลาด มันทำชั่วได้เยอะกว่าคนโง่ฉะนั้นความรู้ความฉลาดอะไรบางทีก็กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปปัญญาที่แท้จริงที่จะพาให้เราพ้นทุกเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามไม่ใช่อย่างอื่นเลยต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นปฏิกูลเห็นอสุภะได้ไหมเห็นได้แต่ไม่ใช่วิปัสนาอย่างเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะก็ข่มราคะได้เป็นสมถะ วิปัสสนาต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายในใจนี้เท่านั้นมีคำว่าในเครื่องหมายคำพูดเท่านั้นด้วยเห็นอันใดอันหนึ่งไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างไตรลักษณ์นี่เห็นอันเดียวพอบางคนเห็นอนิจจังบางคนเห็นทุกขังบางคนเห็นอนัตตาในกายในใจนี้ใช้ได้แล้วเห็นอันเดียวนะแต่ต้องเห็นอยู่ในไตรลักษณ์อนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาอันใดอันหนึ่ง ถ้าเรามีความรู้สึกตัวแล้วคราวนี้ทำอย่างไรดีที่จะให้เกิดปัญญาการทำสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญาเราไม่จงใจว่าจะรู้อะไรแล้วไม่ใช่รู้อยู่ที่เครื่องอยู่อันเดียวแล้วมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่อันเดียวเมื่อจิตเคลื่อนไปเรารู้สึกจิตเคลื่อนไปรู้สึกเช่นหายใจแล้วจิตทิ้งลมหายใจไปแล้วรู้สึกอันนี้ทาให้มีสติเวลาหลงแล้วจะรู้ไวพอรู้ตัวขึ้นมาก็จะรู้กายรู้ใจ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 หรือเห็นกระบวนการทำงานของขันเห็นขันห้ามันทำงานไปขันมันทำงานของมันไม่ใช่เราทำงานนี่อยู่ในธรรมานุปัสสนาแล้วฉะนั้นในธรรมานุปัสสนาเห็นกระบวนการทำงานของกิเลสของขันของจิตอะไรพวกนี้ไม่ใช่เห็นตัวสภาวะเป็นตัวตัวไม่เหมือนตอนกายเวทนาจิตนะอันนี้จะเห็นสภาวะเป็นตัวตัวตอนธรรมนี่จะเห็นกระบวนการทางานของมันไม่เหมือนกัน เบื้องต้นจะดูกายเวทนาจิตก็ได้เสร็จแล้วมันจะเข้ามาที่ทําเองประหลาดอยู่ตรงที่ว่าสติระลึกขึ้นมานี่สมมติว่าเราเคยรู้ลมหายใจจนเกิดสติแล้วนะพอสติระลึกรูปนามขึ้นเองบางครั้งระลึกรู้รูปบางครั้งระลึกรู้เวทนาบางครั้งระลึกรู้จิตระลึกเองและไม่ใช่ระลึกอยู่อันเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่สติที่แท้จริงเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่พูดกันแล้วว่าใครปฏิบัติสายกายหรือสายจิต สายกายหรือเวทนาหรือสายจิตอันนั้นเป็นแค่จุดตั้งต้นมีวิหารธรรมตั้งต้นเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อฝึกให้เกิดสติมีวิหารธรรมไว้จิตก็จะเห็นสภาวะง่ายจำสภาวะแม่นแล้วเกิดสติแต่พอสติที่แท้จริงเกิดแล้วบางครั้งก็รู้กา ย, บ า, กกายบางครั้งก็รู้เวทนาคือความสุขความทุกข์ทั้งหลายบางครั้งก็รู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลทั้งหลายบางครั้งก็เห็นกระบวนการทางานเช่น เห็นจิตวิ่งไปปุ๊บจิตก็เกิดสัญญาแปลปับ๊บว่านี่คืออันนี้จิตเกิดตัดสินขึ้นมาเลยนี่ดีนี่ไม่ดีนี่ชั่วนี่ไม่ชั่วนี่สุขนี่ทุกข์ให้ค่าขึ้นมาจิตให้ค่าขึ้นมาก็เกิดจิตที่สวยอารมณ์ขึ้นมากับจิตที่เป็นกุศลอกุศลตัวนี้เห็นกระบวนการเห็นกระบวนการนี่เห็นธรรมธรรมารุปาาัาสนาเห็นตัวกระบวนการ ถ้าเห็นกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าเป็นหมวดสุดท้ายเลยเรียกว่าสัจจบัพสัจจบัพในธรรมานุปาาัสสนาคนทั่วไปเมื่อถึงเวลาจะเดินถึงขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์จะเข้าตรงสัจจบัพถ้าเห็นแจ้งอริยสัจถึงจะข้ามภพข้ามชาติของเรายัางไม่ถึงไม่ต้องกังวลวันหนึ่งก็ถึงเดินทุกวันนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจวันหนึ่งมันจะเข้าไปถึงสัจจบัพไปเห็นอริยสัจ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอะไรใครตอบได้นึกออกไหมตอนเด็กๆหลวงพ่ออ่านพุทธประวัติอ๋อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอานาปนาสตินึกออกไหมท่านนั่งสมาธิก่อนใช่ไหมทีแรกท่านไปทรมานกายแล้วไม่สําเร็จสุดท้ายท่านกระมจับที่ลมหายใจท่านนึกได้ว่าตอนเด็กๆอายุไม่เท่าไหร่นะพ่อของท่านพระเจ้าสุดโทธนะ พาไปงานแรกนาะแล้วก็ปล่อยให้ท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ท่านนั่งหายใจจิตของท่านรวมรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นครั้งแรกทีนี้ท่านมานึกถึงสภาวะแห่งความรู้ตื่นรู้สึกตัวตอนนั้นขึ้นมาได้เอลองของเก่านะท่านมาหายใจจิตของท่านเลยตื่นขึ้นมาในพระสูตรเลยพูดไว้ว่าท่านทํานาปานาสติเราก็คิดว่าท่านบรรลุพระอรหันด้วยการทำานาปานาสติเปล่าท่านบรรลุด้วยการเจริญสติปัฏฐานนะ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในสัจจบัพท่านเห็นอริยสัจอริยสัจที่ท่านเห็นนั้นลงรายละเอียดไปเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาตรัสรู้ท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าเห็นอริยสัจไม่ใช่เห็นลมหายใจนะคนละเรื่องเลยแต่ก่อนหลวงพ่อก็นึกว่าท่านบรรลุเพราะรู้ลมหายใจลมหายใจเป็นตัวตั้งต้นเท่านั้นเองเพื่อให้มีสติเพราะท่านมีสติแล้วท่านเจริญธรรมานุปัสสนาบารมีท่านเยอะ พวกเราไม่ถึงขั้นขนาดนั้นหรอกนะเอาไว้ตอนเป็นพระอรหันต์ค่อยไปเจริญมันเจริญของมันเองแหละถ้าไม่เจริญก็คือไม่เป็นพระอรหันต์ฉะนั้นเรามีสตินะเวลาเรารู้กายทําอย่างไรเวลารู้กายสติจะระลึกรู้กายที่กําลังปรากฏในปัจจุบันกายที่เป็นปัจจุบันเช่นบางคนที่ถูสบู่อยู่ที่อาบน้ํา มาเล่าเรื่อยๆคนโน้นอาบน้ําคนนี้อาบน้ําพวกเราพยายามอาบน้ําเข้านะแต่ต้องอาบด้วยตนเองอย่าไปให้คนอื่นอาบให้นะคนอื่นมาอาบให้แล้วกิเลสมันเกิดนี่อาบเองถูถูไปนะสติปัญญามันระลึกปั๊บขึ้นมาเลยตัวที่สัมผัสอยู่นี่เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเท่านั้นไม่มีเราทําไมต้องใช้การสัมผัสแล้วรู้สึกถึงความเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเพราะความเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนี่เป็นรูปชนิดหนึ่งเป็นรูปแท้ แล้วรูปแท้แทตัวนี้คืออะไรรูปแท้ตัวนี้คือธาตุดินธาตุดินมีลักษณะอย่างไรธาตุดินมีลักษณะแข็งถ้าแข็งมากก็แสดงว่ามีธาตุดินมากแข็งน้อยก็แสดงว่ามีธาตุดินน้อยในเส้นผมมีธาตุดินไหมในกระดูกมีธาตุดินไหมมีใช่ไหมแต่แข็งไม่เท่ากันในอากาศไม่ธาตุดินไหมมีไหมในอากาศในน้ํามีธาตุดินไหมมีใช่ไหม ถ้าใครบอกว่าไม่มีก็ยังไม่เห็นธาตุแต่คนที่ตอบได้ก็มีสองพวกพวกหนึ่งคิดเอาพวกหนึ่งจำมาเวลาเราสัมผัสนี่ธาตุดินรู้ด้วยอะไรธาตุดินรู้ด้วยกา ย, ยาศาสตร์ศาสตร์ทางกายธาตุลมรู้ด้วยประสาททางกายความไหวความตึงธาตุไฟรู้ด้วยประสาททางกายอย่างเราสัมผัสใบรู้สึกไหยตรงนี้ไม่ใช่มีแต่ความแข็งแต่ตรงนี้มีความเย็นความร้อนด้วยรู้สึกไหมมีความตึงไหว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 เห็นยากนะนานๆจะเห็นสักทีหนึ่งแต่ถ้าภาวนาสุดขีดไปจะเห็นเป็นธาตุตลอดเลยสัมผัสทีไรมีแต่ธาตุไม่มีเรารู้สึกลงไปเพราะฉะนั้นที่พวกเราภาวนานะบางคนอาบน้ำแล้วก็รู้สึกไม่มีเราสัมผัสลงไปไม่มีเราในก้อนธาตุนี้มีแต่ก้อนธาตุดูกายดูลงปัจจุบันใช่ไหมกำลังอาบน้ำอยู่นี่กำลังถูๆอยู่นี่เห็นเลยตัวนี้ไม่ใช่เราแล้วดูจิตไม่ได้ดูในปัจจุบันขณะ แต่ดูจิตนี่ดูในปัจจุบันสันตติปัจจุบันสันตติหมายถึงสืบต่อกับปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจุบันเหมือนกันฉะนั้นเวลาที่เราดูจิตดูใจเราจะดูตามหลังดูติดติดไม่ใช่ดูในปัจจุบันขณะถ้าดูกายจะดูลงปัจจุบันขณะถ้าดูจิตจะดูปัจจุบันสันตติสืบต่อกันกับปัจจุบันทําไมดูจิตดูปัจจุบันไม่ได้เพราะจิตเป็นธรรมชาติที่เกิดดับรวดเร็วมากเลยจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียว เพราะฉะนั้นในขณะที่จิตไปรู้รูปจิตจะรู้จิตไม่ได้ในขณะที่จิตไปรู้เสียงจิตก็รู้จิตไม่ได้ในขณะที่จิตไปรู้ธรรมารมจิตก็รู้จิตไม่ได้เช่นจิตกำลังคิดอะไรอยู่นี่จิตจะรู้จิตไม่ได้ธรรมารมเช่นเรื่องราวที่คิดนี่จิตจะรู้จิตไม่ได้ในขณะที่จิตไปรู้นิพพานจิตก็จะรู้จิตไม่ได้จิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียว เพราะฉะนั <formation>. you, ้นถ้าเราจะรู้ว่าจิตมันเป็นอย่างไรต้องมีจิตอีกดวงหนึ่งมารู้ว่าจิตเมื่อกี้นี้เป็นอย่างไรเพราะจิตเมื่อกี้นี้มันรู้อารมณ์อื่นสมมุติว่าจิตตัวนี้มันไปรู้คนที่โกรธสมมติว่าหลวงพ่อโกรธชมพูมากเลยเวลาเราโกรธใครเราจะไปเพ่งเล็งที่คนนั้นรู้สึกไหมเราโกรธใครเราจะคิดถึงคนนั้นเรารักใครเราจะคิดถึงคนนั้นเราลืมตัวเราเองเพราะฉะนั้น จิตในขณะที่ไปคิดถึงชมพูด้วยความเกลียดชังเกรียดแค้นนี่จิตในขณะนั้นจะรู้จิตไม่ได้เพราะจิตในขณะนั้นไปรู้เรื่องชมพูไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้นี่สมมติว่าเกลียดเขามากต้องมีจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าจิตเมื่อกี้นี่หลงไปด้วยความโกรธใช่ไหมมีจิตอีกดวงหนึ่งจิตดวงใหม่เอาอะไรเป็นอารมณ์เอาจิตดวงเก่าเป็นอารมณ์นะรู้ว่าจิตดวงเก่าโกรธส่วนจิตดวงเก่าเอาอะไรเป็นอารมณ์ ก็เอาอารมณ์ทางทวารทั้งหกนั่นแหละมาเป็นอารมณ์อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาดูจิตจะดูตามหลังไปดูติดติดไปอย่างนี้ดูติดติดนะสภาวะเกิดขึ้นแล้วก็รู้สภาวะเกิดขึ้นแล้วก็รู้ไม่ใช่รู้สภาวะไปคู่กันอย่างนี้อย่างนี้รู้ไม่จริงหรอกนะของหลอกๆฉะนั้นเราฝึกนะฝึกทีแรกก็มีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งแล้วคอยตามรู้ไปเรื่อยเช่นรู้ลมหายใจแล้วจิตนี้จากลมหายใจก็รู้ทัน ไปดูท้องพองยุบแล้วจิตหนี้จากท้องพองยุบก็รู้ทันจิตไปเพ่งท้องก็รู้ทันจิตไปทำอะไรก็รู้ทันนี่มีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งก่อนแล้วในที่สุดเราก็รู้ทันจิตเราเห็นสภาวะของจิตอยู่แทบตลอดเวลาเลยเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆทำให้สติเกิดจิตจำสภาวะที่จิตหลงไปได้แป๊บสติเกิดเองพอสติเกิดเองแล้วรู้รูปถ้ารู้รูปมันจะระลึกลงปัจจุบันเลย ถ้ารู้นามรู้จิตรู้ใจก็จะรู้ตามหลังไปแต่เวทนาความสุขความทุกข์นั้นสมมติว่าจิตมีความสุขอยู่เรารู้ว่าจิตมีความสุขจําเป็นไหมที่ความสุขจะต้องดับไม่จําเป็นนะเพราะว่าความสุขนี่เกิดร่วมกับกุศลก็ได้แต่ถ้าจิตมีความทุกข์อยู่ถ้าสติแท้ๆเกิดความทุกข์จะต้องดับเพราะโทมนานัสเกิดร่วมกับอกุศลจิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกตัวจะต้องไม่มีเลยถ้าอย่างนั้นอุเบกขาก็ต้องดับด้วย อะไรอะไรก็ดับด้วยรวมความไม่มีอะไรเหลือเลยพอสติเกิดแล้วทุกอย่างหายไปหมดเลยไม่ใช่อกุศลทั้งหลายนะ่ะพอสติเกิดแล้วมันดับแต่ความสุขอะไรต่ออะไรอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องดับ